การเยิบได้เนะี่ยหนังสือปฏิปทาพระธุดงเกี่ยวกับเรื่องทุดงขวัตกับการปฏิบัติของพระป่าพระป่านี่ท่านมีข้อปฏิบัติเพิ่มมากกว่าพระพระบ้านเรียกว่าทุดงขวัตทุดงขวัตในมีสิบสามข้อด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไม่บังคับไม่ได้เป็นส่วนของศีลสองข้อเป็นข้อปฏิบัติพิเศษถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นเหมือนน้ำมันชนิดพิเศษน้ำมันรถยนต์เก้าห้าหรือน้ำมัน100ร้อยเเซไม่ใช่95้าห้ามีพลังมากกว่าน้ำมันธรรมดา ใครอยากจะปฏิบัติบรรลุมากผล น, ผนิพพานเร็วๆก็ให้เติมน้ำมันพิเศษเติมทุดงขวัตทุดงขวัตเน้ก็มีอยู่ส3บสามข้อแต่ไม่ต้องปฏิบัติทั้งส3าข้อก็เลือกเอาข้อที่เหมาะสม มันก็เกี่ยวกับการการใช้การกินการอยู่ของพระนี่เองเช่ mm hmm. นข้อบินทบาทเป็นวัดเนี่ยคำ ว, ว่าบินทบาทเป็นวัดหมายความว่าองไก็จะถือการบินทบาทเป็นการเลี้ยงชีพ mm hmm. จะไม่รับกิจนิมนต์ญาติโยมจะนิมนต์ไปฉันที่บ้านนี้ ถ้าจะไปก็ต้องขอบินทบาตรก่อนคือต้องถือกิจเจ้าวัดคือการบินทบาตรพระป่าส่วนใหญ่ท่านจึงไม่ค่อยรักกิจนิมนต์ท่านจะถือข้อวัดคือการบินทบาตเป็นวัดถ้าจะฉันก็ต้องบินธบาตการบินธบาดนี้จะช่วย กำจัดกิเลสได้หลายประเภทกิเลสคือความเกียจค้านก็เรามักจะขี้เกียจหากินแต่ขยันกินสังเกตูเวลามีการกินกันนี่คนมากันเยอะเลยเวลาล้างถ้วยล้างชามนี่หายไปหมดนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะส่งเสริมความขยันหมั่นเพียร้าอยากจะกินก็ไปบินธบาต การบินทบายก็ช่วยกำจัดความจุ้จี้จุกจิกอยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิดนี้ <Yeah. S 1> เพราะบินสบายนี่เลือกไม่ได้ <Yeah. S 1> ตามมีตามเกิด <Yeah. S 1> วันนี้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ญาติโยมใส่ข้าผัดมาให้ก็ต้องกินข้าวผัด <Yeah. S 1> จะไปสั่งญาติโยมว่าขอข้าวผัดไม่ได้นะ <Yeah. S 1> ไม่ได้เป็นญาติโยมนะถ้าญาติโยมอยากจะกินอะไรก็เดี๋ยวก็ไปตลาด ไปร้านค้าเดี๋ยวนี้กดมือถือสั่งได้เลยส่งถึงบ้านเลยชีวิตของญาติโยมนี่เป็นชีวิตที่สุขสบายแต่เป็นชีวิตที่จะต้องติดอยู่กับกองทุกข์ของความสุขสบายเพราะมันจะต้องมีวันที่ไม่มีปัญญาที่จะกดมือถือได้ไม่มีเงินที่จะซื้อสิ่งที่อยากจะกินได้วันนั้นก็จะทุกข์ ถ้าเรากินแบบขอทานนี้ไม่มีวันไหนจะทุกข์กินได้ทุกวันกินได้ทุกอย่างเขาให้อะไรมาก็กินกินได้ไม่มีปัญหาดีกว่าไม่มีกินแม้แต่ข้าวเปล่ า, าก็ก็อร่อยถ้ามีถ้ามีข้าวเปล่ า, าอย่างเดียวไม่มีอะไรจะกินเ พ, พาราะพระทุนงนอกจากบินตาบาทเป็นวัดแล้วยังฉันมือเดียวเป็นวัดอีก ถ้าลองกินวันละมื้อเนี่ยวันพรุ่งนี้พอถึงเวลากินเนี่ยอะไรอร่อยไม่หมดเพราะมันหิวข้าวเปล่าเนี่ก็อร่อยเพราะกินมาครั้งเดียวเมื่อเมื่อวานนี้อย่างวันนี้ฉันตอนเช้านี้นะเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้แตะอาหารไม่ได้แตะอะไรเข้าไปในร่างกาย น, นอกจากน้ำเปล่าแล้วก็จะไม่แตะอะไรไปจนถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ วันนี้ทั้งวันก็มีแต่น้ำเปล่าไปถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วกก่อนจะออบินถบาดก็ไม่ได้แต่อาหารไม่ได้กินอะไรรองท้องพอถึงเวลาก็บินถบาศกวาจะได้กินก็ตอนกลับมาจากบินถบาศแล้วตอนที่ถึงวัดแล้วแล้วกว่าจะได้กินกถ้าอยู่ที่สาลายก็ต้องรอญาติโยมมาใส่บาตรมาถวายข้าวของอีก บางทีกว่าจะได้กินไปเก้าโมงก็มีถ้าวันสําคัญสิบโมงกว่าจะได้กินก็เลยถึงเวลานั้นมันอะไรอร่อยไปหมดข้าวเปล่าๆก็อร่อยคือร่างกายมันมันดูดหมดนะธาตุร่างกายมันเป็นธาตุสี่อาหารก็เป็นธาตุสี่พอร่างกายมันขาดธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่ชนิดไหนนี่มันมันรับได้หมดเลย มเหมือนไงญาติโยมนี่กินมาแล้วสามสี่มื้อเนี่ยธาตุมันน้นมันมันเต็มมันยัดไม่เข้าเห็นอะไรมันอยากจะกินแต่ก็กินไม่ลงเบื่ออาหารเพราะว่ากินมากเกินไปมันถึงเบือ่อถ้าอยากจะแก้ปัญหาเบื่ออาหารลองกินมื้อเดียวเลยเรือวันไหนเบื่ออาหารก็อย่าไปกินมันอดข้าวสักวันหนึ่งพวกนี้โอ้โหอะไรก็อร่อยเลหมด เพราะพวกนพวกนี้ธาตุมันเริ่มขาดแล้วนี่มันก็อยากจะดูดเข้านะแต่ถ้ากินมาล้สามสี่มื้อนี่มันธาตุมันเต็มมันล้นมันเหมือนน้ําที่มันล้นแก้วเทอะไรเข้าไปมันก็เทไม่ได้มันก็จะล้นออกมาเห็นอะไรก็กินไม่ลงก็กินมามากนี่ถ้าลองกินมื้อเดียวดูสิวันนี้กินเนี่ยตอนนี้แล้วพุวกนี้มัน เหมือนกะน้ำใ น, ในแก้วมันหายไปหมดนะยิ่งพรุ่งนี้น้ำเทใส่เข้าไปในแก้วได้ทันทีเลยเทใ้เต็มแก้วเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทำให้การกินอาหารง่ายไม่ไม่ยุ่งยากไม่จู้จี่จุกจิกถ้ากินมื้อเดียวไม่กินได้หมดเพราะมันหิวมันขาดอาหารขาดทาต สองข้อนี้ก็เป็นธุรงขาว่ข้อหนึ่งก็บินทบาตเพื่อให้เรากําจัดความเกลียดค้านให้มีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยบินทบาตสามารถเพอี้วันหนึ่งก็กิโลครึ่งเดินกิโลครึ่งแล้วก็ใช้เวลาบางวันก็ต้องสี่สิบนาทีสี่ถ้าวันไหนคนเยอะอย่างวันพัสที่ผ่านมานี่คนต้องห้าร้อยมั้ง อ้าร้อยคนไอบาตรถที่ไปไม่มีที่นั่งเลยพระอาหารเต็มไปหมดมันก็ใช้เวลาก็เหนื่อยถ่ายถ่ายข้าวออกจากบาต้งสองสามครั้งข้าวเต็มบาทนี่มันก็หนักเนหะมือนอุ้มก้อนหินเวลา้าว นั้นมันก็เป็นการทํางานที่ทําให้มีกําลังวังชาทําให้แข็งแรงการเดินบินตาบาทนี่ก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วกาก็ได้ฝึกสติด้วยเป็นการเดินจงกรมไปในตัวเดินบินตาบาทก็ไม่ได้ไปอมองหน้าใครมองเดินที่เท้าเดินไปก็ดูเท้าเราไปดูฝาบาทเวลาใายเขา จะสายบายก็เปิดบาทออกเขาสายเส็จก็เปิดบาดแล้วก็เดินต่อไปใจก็คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเรานี่คอยนับคนเนีนับบางทีก็เพอถ้าใครทักหน่อยคุยกันหน่อยปั๊กเอ๊ะจำไม่ได้แล้วนนี้นับไปถึงเท่าไหร่แต่ก็พยายามนับ ปกติวันธรรมดาอย่างวันนี้ก็แค่ร้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็สองร้อยสองร้อยกว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่วันวิสาขะวันอะไรนี่ก็สี่ห้าร้อยก็เดี๋ยวนี้ญาติโยมรู้จักทางทางเ Facebook ทาง y o u t u b บพอวันไหนเขามีโอกาสมาพักผ่อนแถวพัทยาหรือบางคนตั้งใจขับรถมาใส่บาทโดยตรงก็มี มาจากจังหวัดใกล้เคียงชนบรุรีระยองปราจีนบุรีกรุงเทพชนบรุรีก็คนเยอะอันนี้ข้อที่หนึ่งคือการบินทบาทเป็นวัดข้อที่สองชั้นมือเดียวเป็นวัดชั้นหนเดียวชั้นข้างเดียวต่อวันจะทำให้กำจัดความโลภอยากกินอาหาร ให้กินอยากจะกินเท่าไหร่กินให้มันแน่นท้องไปเลยแต่กินหอมเดียวหลังจากนั้นก็หมดสิทธิ์อยากจะกินอีกครั้งก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าเราไปบินตบาตก่อนก็จะช่วยรักษาหุ่นพระบินละพระถือดองถือถือ ด, ดงนี้ไม่อ้อนวนรับรองได้ฉันมื้อเดียวแล้วยังต้องบินตบาดออกกําลังกายเดินบินตบาต เหมือนกับเหมือนกับไบแลนฟิตเนสเดินบินตาบาทนี่ก็เหมือนฟิตเนสตั้งยกน้ําหนักด้วยยกฝะยกบาทแล้วก็เดินเอย่าเดินไปฟิตเนสก็ไปเดินไปวิ่งสายพานไปยกน้ําหนักเหมือนกันแต่เขายกแบบเสียเงินแต่พระนี้ยกแบบได้เงินได้เงินได้ข้าวได้ของ พอกลับมาที่วัดก็มีข้อหนึ่งสําหรับบางวัดท่านจะถือก็คือหลังจากบิณธบาตแล้วจะไม่รับอาหารที่ตามมาใครอยากจะใส่ใครจะให้อยากจะถวายอาหารพระต้องใส่ตอนบินธบาตพอพระกลับมาที่วัดขึ้นศาลาแล้วนี่ไม่รับอาหารที่ตามมาแล้วเพื่อหนึ่งลดอปริมาณอาหารมาก มันจะมากเกินไปเดี๋ยวมีมากอาหารมันก็จะทำให้โลภมากก็เลยไม่อยากจะมีมากก็เอาแค่อาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตญาติโยมที่จะตามมาทีหลังทำอาหารใส่ปิ่นโตใส่ชามใส่อะไรมาก็ไม่รับนะอันนี้ก็ข้อตุ่งขวัตข้อที่สามฉันเมื่อเดียว บินธบาตเป็นวัดไม่รับอาหารหลังจากบินธบาตแล้วอย่างที่วัดป่าบ้านตานี่ญาติโยมรู้ว่าวัดพระไม่รับอาหารบินธบาตนะเขาก็เลยไปเข้าแถวอยู่ที่หน้าวัดกันนะไปดักใส่บาตรแถวลงทียาวเป็นกิโลเลยเพราะคนอยากจะทำบุญกับพระปฏิบัติพนระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาวัดพระที่ว่า เป็นพระหรือไม่เป็นพระก็อยู่ที่การปฏิบัติว่าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพวกที่ปฏิบัติธุดงควรนี้เขาศรัทธาเขาเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเขาปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสเขาปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เพื่อลดพ้นจากความทุกข์ เราไม่ได้มาบวชเพื่อมาเป็นสังฆราชไม่ได้มาเป็นสมเด็จไม่ได้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสอันนี้ปฏิบัติเพื่อลาบยศเพื่อลาบสักการะถ้าปฏิบัติแังนี้ก็ไม่เหมือนกับก็ไม่ต่างกับญาติโยมญาติโยมก็หาลาบเยอะลาบสักการะลาบยศเหมือนกัน พระนี่หน้าที่ของพระมาเพื่อละการแสวงหาลาบสการะลาบยศเดี๋ยวนี้กลับมากลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งไหมนะแย่งเจ้าคณะจังหวัดกันต้องได้ยินข่าวไหมที่แปดริ้วหรอไงฉะเชิงเซานะนี่การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดอย่างนี้ก็แย่งกันแล้วเลยนี่เป็นพระเลยเนี่ยเป็นพระหรือ เ, เป็นแพะท้ พระมาบวชเพื่ออะไรเบ่อเพราะเห็นภัยในวัตตะสงสารเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดพระภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยผู้เห็นภัยในวัตตะสงสารเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดแล้วต้องตายกันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันจึงพยายามปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิด เหตุที่ทําให้มาเกิดเพราะความอยากในลาบยศนี่แหละอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญถ้าเป็นเจ้าคณะจังหวัดนี่มีหน้ามีตาญาติโยมหนุงไหลคิดว่าเป็นพระเก่งเป็นพระดีเอาถึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เหมือนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ของพระ ใช่ควรจะปล่อยให้ว่าแต่งตั้งไปตามความดีความชอบแต่อย่ามาแย่งกันแย่งกันนี่ไม่ใช่แล้วการแต่งตั้งนี้ไม่ควรจะมีปัญหาสำหรับพระเขาอยากจะตั้งให้พระลูกแน่งเป็นก็ให้เขาตั้งไปถ้าเขาพิจารณาด้วยความดีความชอบก็ดีไปถ้าเขาพิจารณาด้วยพวกด้วยด้วยพวกได้ พ, ดพ้อมด้วยผลประโยชน์ก็ก็ช่วยไม่ได้ ก็เรื่องของทางโลกไปแต่พระไม่ควรที่จะยินดีกับลาบสักการะแต่บางทีอยู่กับโลกโลกเขาใช้ลาบสักการะเป็นเครื่องวัดกันเขาอยากจ ะ, ะให้รางวาัลพระรูปนี้เพรา ะ, ะเห็นว่าท่านปฏิบัติดีก็เลยให้ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะเจ้าอะไรไปถ้าเขาให้โดยที่ พระไม่ไปแย่งกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาะไรแต่ถ้าพระเราไปแย่งกันเองนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่พรนะแล้วพระไม่ได้มาบวชเพื่อมาหาลาบสักการะพระมาบวชเพื่อฆ่ากิเลส ต, ตัณหาความมักใหญ่ไฟสูงตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นความมักใหญ่ไฟสูงความอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเนี่ยหน้าที่ของพระคือมาถือทุดงเขาวัดเนี่ยญาติโยมถ้าจะพิจารณาพระเนี่ยควรจะดูว่าถือทุดงหรือเปล่าจะตั้งเจ้าคณ ะ, ะจังหวัดทั้งทีดูประวัติท่านกนะ็ไปดูที่นู่นน่ยดูที่ว่าเรียนนับธรรมตีโทเอกหรือเปล่าดูแต่ดูแต่การศึกษาแต่ไม่ดูการปฏิบัติ ไม่ดูว่าถือทูปลงขวัตข้อไหนบ้างว่าเปล่าถือข้อวัดบินทบาทหรือเปล่าฉันมื้อเดียวหรือเปล่าไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินทบาทหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าอยากจะวัดคุณภาพของพระมันต้องวัดตามที่พระพุทธเจ้าวัดสิตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน นี่ไปวัดดูนักธทรำรตีโทเอกที่พระเจ้าไม่ได้สอนให้เรียนกันสมัยพุทธกาลก็ไม่มีเรียนนักทำตีโทเอกกันหรอกเขามีแต่ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเราฟังกันนี่ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติแค่นี้วันนี้ก็ได้ยงเยอะแยะเนี่ยทุดงควัดสามข้อแล้วเนี่ยญาตโยมลองเอาไปปฏิบัติดูก็ได้วิธีของญาตโยมก็ง่ายบินาบานนี้ทำยังไงเลย เวลาญาติโยมไปร้านอาหารก็บอกว่าเด็กก็หนูจัดอาหารมาให้หน่อยอะไรก็ได้อันนี้ก็เหมือนกับบินทบาตแล้วไม่ได้ไปสั่งว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวจะเอาข้าวผัดเด็กมาถามพี่จะกินอะไรอะไรก็ได้ให้จัดมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบินทบาติแล้วยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ เวลาเอาอาหารมาก็ขอเอาขอเอาชามใหญ่ๆมาสักใบหนึ่งแล้วก็เอาอาหารที่ได้มาใส่เข้าไปในชามอันนี้ก็ทุดดงเขาเด็ข้อหนึ่งคือฉันในบาทคือไม่จูจ้จี้จุกจิกไม่แ ย, แยกแยกอาหารมากกนเกินไปเดี๋ยวมันก็รวมไปรวมกันในท้องนะยังก็เลยเอามารวมกันในบาท การใช้ในบาทมันช่วยลดภาระเรื่องการล้างถ้วยล้างชามพระทุดงเวลาไปทุดงในป่าท่านจะได้ไม่ต้องขนถ้วยขนชามไปเขาใช่เอาบาทไปใบเดียวก็พอเวลาบินทบาทกลับมาก็อาหารก็ใส่ไปในบาทกินเสร็จก็ล้างบาทใบเดียวง่ายสะดวกรวดเร็วบาทนี้มีประโยชน์มากนะสำหรับพระทุดงเนี่ยเวลาท่านไปทุดงนี่บาทนี้ก็เป็นกระเป๋าด้วย เอาจีวงจีวอเอาของใส่ไปได้บาทเนี่เวลาที่ท่านเดินทุ่งเนี่ยท่านจะมีใช้บาทเนี่ยใส่ผ้าใส่ของใช้เลยที่ท่านเอาจําเป็นที่เอาติดตัวไปได้แล้วบาทมันก็ไม่ใหญ่มันก็เลยทําให้ต้องเอาของที่จําเป็นจริงๆไปของที่ไม่จําเป็นก็ไม่เอาไปเช่นเอาผ้าสามผืนไป <c oughs> ที่กองน้ําอยู่ในป่านี่เวลาจะตักน้ํา ในลำห้วยในลำทานนี้ต้องมีที่กองน้ำกองตัวสัตว์ไม่ให้ตัวสัตว์ติดขึ้นมาเห้นบานี้จะเป็นจะจะเป็นประโยชน์หลายประการใช้เป็นเครื่องมือหาอาหารเดินบินทบากกลับมาก็เป็นภาชนะไว้ฉันเลยแทนถ้วยชา ม, มลพละกทุดอกนี้ท่านไม่นิยมใช้ช้อน ใช้มือเวลาฉันใช้มือจะได้ไม่ต้องล้างช้อนจะได้ไม่ต้องมีภาระเกี่ยวกับช้อนกับชามกับถ้วยถ้วยท่านก็มีใบนองไว้สำหรับดื่มน้ำท่านเองฉันในบาทนี่ก็เป็นทูดงควาติข้อหนึง่งการฉันในบาทนี่ก็มีสามระดับด้วยกันระดับแบบ เบาๆระดับปานกลางและร ะ, บร ะ, บระบแบบระแบบแบบโหดโหดระแบบแบบเบาๆก็คืออาหารก็ใส่เข้าไปแล้วก็แยกแยกมุมว่าข้าวไว้มุมหนึ่งกับไว้มุมหนึ่งของหวานไว้มุมหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าชั้นในบแบบแบบเบาๆไม่โหดแบบปานกลางก็คือไม่แยกใส่เข้าไปข้าวก็ใส่เข้าไปกับก็ใส่เข้าไปแต่ ไม่ไปแยกมุมมันใส่ตรงไหนก็ได้จะปนกันจะยังไงก็ได้อันนี้ก็แบบแบบกลางๆแบบโหดทครับแบบที่สามก็คือคุกมันเลยคุกเหมือนข้าวหมาเลยเวลาเราเลี้ยงหมาเป็นไงเราอาข้าวอะไรเข้าไปแล้วเราก็คุกมันเลยอันนี้ก็สาหรับพระที่ต้องการจะฆ่ากิเลสตัวที่จู้จี้จุกจิกอยากกินนู่น กินนี่กินนั่นก่อนกินนี่ทีหลังกินของขาวก่อนค่กินของหวานกินของหวานก็ค่ยกินผลไม้อันนี้ก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็คลุกมันเข้าไปเหมือนข้าวผัดเลยขนมก็ใส่เข้าไปแกงจืดแกงเผ็ดอะไรใส่เข้าไปขนมโคกขนมเค้กใส่มันเข้าไปแล้วก็คลุกมันเลยเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ไปคลุกกันในท้องอยู่ดี มันมีกินเพื่อฆ่ากิเลสกินไม่ให้กิเลสมันมีส่วในในเรื่องของการกินการกินนี้มันเรื่องของร่างกายแต่กิเลสมันชอบมามีส่วนด้วยชอบมาแยกแยะว่าต้องกินไอ้นี่ก่อนกินไอ้นี่หลังนี่เรื่องของกิเลสต้องกินอาหารชนิดนั้นต้องกินอาหารชนิดนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของร่างกายนี้มันไม่สนใจหรอกให้มันกินอะไรมันกินได้ทั้งนั้นเหมือนกินยา เวลาเรากินยาเราเลือกกรเปล่าต้องที่เอายาสีเขียวสีแดงสีอะไรหมอให้ยาสีอะไรมาก็กินมันเข้าไปเม็ดตุ่มเม็ดเดียวเม็ดอะไรก็กินเข้าไปเป็นยาน้ํานี้เป็นยาเม็ดก็กินตามที่หมอให้มาอันนี้กินแบบร่างกายกินให้กับร่างกายถ้ากินแบบกิเลนนี่โอ้ยต้องกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้เมื่อเช้านี้คิดหรือเปล่าจะกินอาหารชนิดไอะไรบ้าง กิเลสมันเกี่ยวข้องทุกมือเลยเชื่อไหมนีเ่เดี๋ยวมือนี้จะไปกินอะไรดีเนี่ยเรื่องของกิเลสนะนี่ก็คือวิธีฆากิเลสของพระทวดงด้วยด้วยทวดงขวัตเนี่คือกินแบบกินเพื่อร่างกายจริงๆร่างกายมัไม่สนใจแหละ ว, ว่าอาหารชนิดไหนมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ว่าเป็นอาหารอาหา ร, อาหารเผ็ดอาหารเค็มอาหารเปรี้ยวมันไม่รู้ ผู้รู้คือใจและผู้ที่มาจู้จี้จุกจิกกับของพวกนี้ก็คือกิเลสดังนั้นการมาบวชนี้มาบวชเพื่อฆ่ากิเลสก็เลยต้องฆ่าแบบนี้เรื่องกินอาหารก็ต้องกินแบบนี้ถึงจะฆ่ากิเลสได้จริงๆมีอาหารอะไรผล ค, คนมันเข้าไปเลยผลไม้องงังกุนใส่เข้าไปกล้วยใส่เข้าไปขนม อะไรมีขนมอะไรใส่เข้าไปเอสารพงษ์สาะเปาหรืออะไรใส่เข้าไปแล้วก็คนมันอคนกับข้าวคนกับผักแล้วก็กินอันนี้นะกินแบบนี้นะกินแบบฆ่ากิเลสแล้วต่อไปจะกินง่ายจะไม่ไม่เป็นคนเลี้ยงง่ายใครจะให้จะทำอะไรนี้กินได้หมด ย, ยิ่งหิวหิวด้วยยิ่งกินมื้อเดียวด้วยนี่อร่อยไ้หมดจะคุกยังไงก็กินได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เวลากินการพิจารณาอาหารตามระยะต่างๆของมันระยะแรกอาหารอยู่ในจานดูหน้าตามันเป็นยังไงเวลาเข้าไปในปากเคี้ยวแล้วผสมกับน้ำลายให้ดูหน้าตามันเป็นยังไงเวลามัน เข้าไปในท้องแล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรเวลามันออกมาจากลําไส้แล้วหน้าตามันเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องการการเดินทางของอาหารเดินใหได้เห็นเห็นสภาพตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในจานจนกระทั่งไปจบที่โถส้วมเลยคือการเดินทางของอาหาร ถ้าเห็นสภาพของอาหารเหล่านี้แล้วมันจะไม่หลงมันจะไม่หลงหลายข้างคล้ายกับการกินอาหารเถ้าไม่อยากจะกินอาหารเมื่อไหร่ก็ดูตอนที่มันออกมาจากทวารหนักมันก็ไม่อยากกินแล้วอย่าไปถ้ามันเบื่ออาหารก็มองอาหารที่อยู่ในจานมันก็จะหิวนั่นนี่คือวิธีกาจัดกิเลสตัณหาที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร พระพุทธเจ้าสอนพระเวลาฉันก่อนจะฉันให้พิจารณาอาหารก่อนให้ดูการเดินทางของอาหารจากจานไปสู่โถส่วมให้ดูมันทุกระยะเวลาเคี้ยวอาหารอยู่ในปากอร่อยอร่อยนองคลายมันมาดูหน้าตามันหน่อยสิแล้วก็เอากลับเข้าไปใหม่แล้วดูสิว่าอย่างอร่อยอร่อยหรือเปล่าถ้ากําลังเคี้ยวเนี่ยกาลังอร่อยอร่อยนี่แสดงว่ากําลังฝันกําลังหลงไหลนะ กำลังอร่อยกับของที่ไม่น่าดูน่ากินเลยใช่ไหเวลาไม่เชื่อลองคายออกมาดูเลยของที่เรากำลังเคี้ยวอยู่ก่อนจะกินเขาคายมือออกมาดูหน้าตาก่อนแล้วค่อยตักเข้าไปใหม่แล้วค่อยกินเข้าไปใหม่นี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่มีปัญหากับเรื่องอาหารรับรองได้ว่าไม่ต้องไปฟิตเนยให้เสียเวลาร่างกายมันจะไม่อ้วนแน่นอน ถ้ากินแบบนี้มันจะมันจะกินแบบกินยากินพอให้ร่างกายมันไม่หิวท่านเองการกินอาหารนี่หน้าที่ของการกินอาหารก็คือดับความหิวแล้วก็เลยงฮะเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับกินยากินยาก็ดับดับดับไข้ใช่เวลาเราเป็นไข้เราก็กินยา ไข้ก็เป็นเหมือนความหิวความหิวก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งไข้ก็เป็นเหมือนความทุกข์อย่างหนึง่งเวลาเราเป็นไข้เราก็กินยาลดไข้เวลาเราหิวเราก็กินอาหารเพื่อลดความหิวแต่เราไม่ต้องกินให้มันอิ่มจนกระทั่งแน่นท้องพอมันหายหิวเราก็หยุดกินได้ถ้ากินแบบนี้แล้ว ร, รับรองได้ว่ามันจะไม่มีวันอ้วน นี่เกิดทุดงขวัตที่มีอยู่ในหนังสือปฏิปทาเนี่ยพระธุดงพระธุดงกรรมฐานนี่มีคำสองคาทุดงกับกรรมฐานก็หมายถึงพระที่ปฏิบัติทุดงขวัตและปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานก็คือเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธพุทโธนี่เป็นกรรมฐานกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดเช่นเนี่ย การบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องมือสร้างสติมรณานุสติก็คือเรานึกถึงความตายอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งพระปฏิบัติเนี่ยท่านจะปฏิบัติสองอย่างปฏิบัติทุดงขวัดกับปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> เพราะเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสทุดงขวัดนี่ฆ่าไม่หมดฆ่าได้บางส่วน กาได้เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่ของพระการใช้ผ้าเนี่ยใช้ทุดลมขวัดเนี่ยที่เมื่อกี้เราไห้ฟังสี่ข้อนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการกินบินทบาทฉั้นมือเดียวฉั้นในบาทไม่รับอาหารหลังจากกลับจากบินทบาทแล้วอันนี้เป็นการฆ่ากิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารส่วนกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่อง จีวรก็คือให้ถือผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งอยู่ในป่าช้าผ้าหอ่อศพสมัยนี้มันไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยผ้าขี้ริ้วเศษผ้าที่เขาทิ้งอยู่ตามกองขยะไปเก็บมาสะสมชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่พอได้ปริมาณที่จะมามาตัดมาต่อให้มันเป็นผืนใหญ่ได้ก็เอามาทัดเย็บเป็นจีวรขึ้นมา เสร็จแล้วก็เอาไปย้อมด้วยน้ำน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้ซักย้อมด้วยแก่นไม้นี่คือผ้าบางสกุลคือเป็นเศษผ้าคืออยากพระพระเจ้าอยากให้พระใช้ของที่ไม่มีค่าเพราะว่าของมีค่ามันจะหายง่ายถ้าเป็นผ้าไหมผ้าอะไรเดี๋ยวไปตากไว้เดี๋ยวเผลอขมโมยมาขามโมยไป แต่ถ้าเป็นผ้าที่ริ้วไม่มีใครอยากจะขโมยผ้าที่เป็นผ้าปะผ้าต่อกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฆ่ากิเลสที่ชอบของสวยของงามในทางเสื้อผ้าเห็นเหมญาติโยมเนี่ยใส่เสื้อผ้าอย่างกับนางฟ้านางนางงามจั ก, กรวาลแต่งชุดกันแต่สำหรับผ้าเ่านี่ไม่ไม่ต้องการให ให้มีกิ่แบบนี้ให้อยู่แบบสมถะเรียบงา่ายอันนี้ก็ผ้พาบางสกุลซึ่งสบายนี้ยากแล้วเพราะว่ามันโรคมันเจริญเดีย๋ยวนี้มีแต่ผ้าที่เขาตัดเย็บมาสำเร็จรูปให้ผ้าป่าก็มักจะไม่ยมใช้ผ้าสำเร็จรูปผ้าป่าก็จะเอาผ้าขาวที่ญาติโยมถวายมาเนี่ยเป็นแท้เป็นผ้นาแทนผ้าบังสกุล แล้วก็มาตัดมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มาต่อมาเย็บต่อใหม่ให้เป็นผ้าที่มีลายเนี่ยผ้านี้มันไม่ได้เป็นผ้าผืนเดียวมันมีรัดตะเข็บเห็นไมมันมีตะเข็บเต็มไปหมดเลยแสดงว่ามันเป็นผ้าชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็มาปะมามาเย็บมาติดมาต่อกัน mm hmm. เพื่อจะได้ไม่เป็นผ้าที่มีคุณค่าไม่มีใครอยากจะขโม ย, อยเอาไปทาอะไร mm hmm. <c oughs> อันนี้คือผ้าของ ของผ้าปฏิบัติผ้าบางสกุลแล้วก็ให้ถือผ้าเพียงหนึ่งชุดหนึ่งสำรับ<ม>ผ้าไตาสามผืนก็พอมไม่ให้ถือมากหลายหลายสำรับมีมากก็มีภาระมากเ<ม>พราะว่าผ้ามันก็เหมือนกันสีก็สีเดียวกันจะมีกี่กี่ไตมันก็เหมือนกัน<ม>ก็เอาไตาเดียวก็พอมักน้อยสันโดษ เป็นการฆ่ากิเลสผ้าบางรูปถ้าเป็นพระที่มีตำแหน่งนี้ก็ว่าต้องใช้ผ้ามาจากอิตาลีอ่ะมันจะ <c oughs> สั่งผ้าพิเศษมาผ้าไหมอันนี้เป็นอาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องศรัทธาของญาติโยมก็ห้ามขาไม่ได้ญาติโยมบางทีก็เคารพครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ก็ ใส่ผ้าขาดขาดผ้าไม่ดีก็อยากจะให้ท่านใส่ผ้าดีแต่ถ้าครูบาอาจารย์เป็นคนบอกเองก็ไม่ควรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระควรที่จะขวนขวาสิ่งที่พระควรจะขวนขวาก็คือทุดงขวัดการใช้ผ้าบางสกลุลการใช้ผ้าหนึ่งสำรับนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเครื่องนุ่ม คจีวรแล้วคือเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าก็ให้พระถือทุดงกวัดอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็คืออย่าไปอยู่ตามบ้านอย่าไปอยู่ตามวัดบ้านให้ไปอยู่ในวัดป่าหรือไปทุดงในป่าเพราะที่ในป่านี้เป็นที่เหมาะกับการฆ่ากิเลสเป็นที่เหมาะต่อการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานก็คือการ ใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาเป็นเครื่องมือกํากับใจควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งนะกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันมีไว้เพื่อที่จะทําใจให้สงบเช่นพุทธโธพุทธโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติหรือดูลมหายใจเข้าออกยุบหน่อพองหนอนี้ก็เรียกว่าอานาปณะสติถ้าเรา มีสติดูลมหายใจเข้าออกหรือมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบใจก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการกินการอยู่แบบหรูหราเช่นนอนในคอนโดกินอาหารตามโรงแรมอย่างนี้ สู้ความสุขที่ได้จากการไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็ควบคุมใจให้สงบไม่ได้เวลาใจสงบนี่ใจมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการนอนในคอนโดที่ได้จากการไปกินอาหารตามโรงแรมต่างๆพระธุดงค์ท่านจึงไม่ไม่เดือดร้อนกับเรื่องที่อยู่อาศัยท่านอยู่ง่ายอยู่ตามป่าตามโคนไม้ ให้อยู่คนถ้าไม่มีกุฏิก็อยู่ตามโคนไม้อาศัยล่มไม้เป็นที่หลบแดดหลบฝนอาจจะทำเพิง อ, อะไรง่ายๆเผื่อฝนตกอะไรแพระทุด d ง n ท่านก็มีมีกรดเป็นเหมือนหลังคาเป็นล่มแล้วก็มีมุง้งก็เป็นเหมือนกับเป็นเต็นเวลาท่านไปอยู่ในปา่าท่านก็จะใช้กรดกับมุ้งนี่ เป็นที่อยู่ญาติโยมอาจจะเมตตาทําแค่ให้ตัวหนึ่งแค่ทําด้วยไม้ไผ่หรือไม้ลเพื่อจะได้ไม่น้างนอนกับดินแล้วท่านก็จะนั่งสมาธิบนข้า่นั้นอยู่ในอยู่ในมุ้งในกรดนั้นนั่งสมาธิไปเวลาเมื่อยก็ออกมาเดินจงกรมเดินจงกรมก็ใช้กรรมฐานนั่งก็ใช้กรรมฐานใช้พุทโธพุทโธกํากับใจ นี่คือกรรมฐานที่ทําใจให้สงบแล้วก็มีกรรมฐานที่ทําใจให้ให้ตัดกิเลสให้ฆ่ากิเลสเช่นมรณานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานที่จะทําให้เกิดปัญญาที่จะทําให้เราฆ่ากิเลสความหลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราที่เรากลัวตายกลัวที่เราทุกข์กันเพราะกลัวความตายเพราะเราหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพระเจ้าถึงทรงสอนให้ระลึกถึงความตายว่าร่างกายนี้มันเกิดแล้วต้องตายมันเป็นดินน้ำลมไฟให้พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่มาจากดินน้ําลมไฟอาหารที่เรากินนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำํำลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลม ไฟความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายก็คือธาตุไฟพอมันเข้าไปในร่างกายมันก็กลายเป็นผมขนและฟันขึ้นมามแล้วเดี๋ยวเวลามันตายไปร่างกายมันก็จะสลายไปหมดน้ำก็จะแยกออกมาลมก็จะแยกออกมาไฟก็จะแยกออกมาทิ้งไว้นต่อไปก็เหลือแต่ดินร่างกายส่วนที่เหลือกระดูกของแห อวัยวะที่แห้งกรอบต่อไปมันก็ผุเปื่อยไปกลายเป็นดินไปนี่ก็คือกรรมฐานที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ฆ่ากิเลสที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปต้องใช้กรรมฐานใช้ทุดงควัตอย่างเดียวไม่พอทุดงควัตนี้ฆ่ากิเลสได้บางส่วนส่วนที่เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม่มเกี่ยวกับ เ, เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส่วนยารักษาโรคท่านค่ายสอนให้ดื่มน้ำปัสสาวะถ้าไม่มียาก็ดื่มน้ำปัสสาวะไปยาดองน้ำมูดอาน้าปัสวะนี้มาดองสมอเวลาไม่สบายก็ดื่มน้ำสมอน้าสมอที่ดองเนี่ก็ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็มีบางอย่างที่รักษาไม่หาย บางอย่างก็รักษาหายโรคเรานี่มีอยู่สามชนิดโรคที่เป็นแล้วหายเองเช่นเป็นหวัดนี้ไม่ต้องรักษามันเดี๋ยวมันก็หายเองโรคบางโรคนี้เป็นแล้วต้องหายายมากินถึงจะหายแล้วโรคชนิดที่สามก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะรอความตายไปอย่างเดียวฉะนั้น ปุจจ ա วสอนใอ้พระไม่ต้องกังวลกับเรื่องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บมากไอ้รู้ว่าเดี๋ยวใจที่สุดก็ต้องตายฉะนั้นมาปฏิบัติทําใจให้ไม่ไม่ทุกข์กับความตายดีกว่าไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บดีกว่าดีกว่ารักษาไปยังไงรักษาไว้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งที่ตายก็จะต้องทุกข์กับมันเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ ว่เาเราไม่ปฏิบัติกรรมฐานกันถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะทําใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วเราก็เอากรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมาสอนใจสอนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินนะ้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสอง ร่างกายนี้ค้นหายังไงก็ไม่เจอตัวเราแล้วใคยเห็นหน้าตาเราไหมเป็นอะไรหน้าตาที่เราเห็นนี้ไม่ใช่หน้าตาเรานะนี่มันหน้าตาของร่างกายรู้เป่าแต่เราไปเรียกว่าเป็ น, นหน้าตาของเราในชะ่ไหมแต่คําว่าเราตัวเรานี่อยู่ตรงไหนอตัวที่คิดนี่มันอยู่ตรงไหน ม, มันอยู่ตรงผมเหรอหรืออยู่ตรงขนหรืออยู่ตรงเล็บอหรื อ, อยู่ตรงหนัง มันไม่มีหรอกมันก็เป็นหนังเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บไอ้ตัวที่คิดเนี่ยมันอยู่ที่ใจตัวรู้ตัวคิดนี่คือใจตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวนี้เป็นตัวที่มามาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก่อนที่ร่างกายจะมาที่นี่ได้ตัวคิดต้องสั่งก่อนนะเดี๋ยววันนี้มาวัดนะมันถึงจะมาได้แต่ตัวคิดมันไปนหลงคิดว่ามันมันเป็นร่างกายด้วย อันจริงมันเป็นแค่ตัวคิดตัวรู้เราต้องมาแยกร่างกายออกจากใจสอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ละไม่ใช่ใจใจจะได้ไม่ต้องทุกกับร่างกายตอนนี้ใครทุกข์ร่างกายไม่ทุกข์เวลามันเจ็บเวลามันตายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เอาไปมีดไปฟันมันไม่รู้สึกมมันไม่รู้หรอกเพราะมันไม่มีใจแต่ร่างกายนี้มันมีใจ ใจมันถงึงรับรู้เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายถูกมีดฟันนี่มันใจเป็นผู้รับรู้แต่ใจรับรู้ด้วยความหลงไปคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยทุกข์เพราะไม่อยากให้ร่างกายเจ็บท้านั้นเองแต่ถ้ารู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ใจร่างกายจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเจ็บไปพอปล่อยมันเจ็บร่างกายก็จะไม่ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าปล่อยร่างกายได้ อันนี้แหละคือกรรมฐานสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ความจริงเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พรารู้ว่าการมีร่างกายแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็สบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายต่อไป ไม่ต้องมาเน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพักผ่าจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้คือเรื่องของพรทุดงกรรมฐานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ลองอ่านดูทั้งเล่มนี้สอนเกี่ยวกับเรื่อง การปฏิบัติของพระอาจารย์แต่ละรูปที่บรรลุเป็นพระอารหันต์นะอาจารย์เหล่านี้หลังจากที่ท่านตายไปแล้วก็ดูนี้กลายเป็นพระธาตุแสดงว่าท่านได้บรรลุแล้วท่านได้สําเร็จท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้ฆ่ากิเลสตัวที่เป็นเหตุที่ทําให้ท่านต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าอ่านแล้วถ้าเราสนใจในการปฏิบัตินี้ เราจะชอบมากเพราะมันจะเป็นเหมือนคู่มือเหมือนกับเวลาที่เราซื้อรถมานี่เขามีคู่มือสอนให้เราดูแลรักษารถยนต์ให้ดูแลอย่างไงถ้าเราดูแลถ้าเราอ่านคู่มือเป็นเวลารถเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะดูแลแก้ไขปัญหาได้อันนี้ก็เป็นคู่มือการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด คือพระธุดง์กรรมฐานหนังสือเลื่อนี้จึงมีชื่อว่าปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นสายพระอาจารย์มั่นก็เพราะว่าพระอาจารย์มั่นเป็นผู้สอนเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นเหมือนชื่อของมหาวิทยาลัยจุลาลงกรณ์อย่างนี้ก็มีใครเรียนจุลาเขาก็จะเรียนสายของจุลาไปใครเรียนธรรมศาสตร์ก็จะเป็นสายธรรมศาสตร์ไป ถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาคล้ายกันเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เหมือนกันเป็นสายจุฬาสายธรรมศาสตร์สายกเกษตรไปอันนี้ก็เป็นพระธุดงสายพระอาจารย์มัน่นพระธุดงกรรมฐานเพราะพระอาจารย์มั่นสอนให้ปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยหลวงปู่มั่นเป็นคนพาปฏิบัติมาเรื่องการบินตบาทเป็นวัดการฉันมือเดียวเป็นวัดการฉันในบาทเป็นวัดการไม่รับอาหารหลังจากบินตบาทแล้วเป็นวัด นนี้เป็นอาจารย์มั่นถึงแม้ว่าจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่สมัยที่หลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติไม่มีใครสอนกันไม่มีใครปฏิบัติกันหลวงปู่มั่นท่านศึกษาแล้วท่านก็เลยเอามาปฏิบัติพอท่านปฏิบัติแล้วคนอื่นเห็นก็ติดใจมีศรัทธาก็ขอปฏิบัติตา่างเป็นลูกติดต่างนี่ก็เลยมีชื่อสายพระอาจารย์มั่นขึ้นมาให้รู้ว่า สายนี้เขามีคุณสมบัติอะไรสายนี้เขาจะถือธุดงควรัตเขาจะถือการปฏิบัติกรรมฐานเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่เขาจะไม่ไปสวดตามงานศพต่างๆเขาจะไม่ไปรับกิจนิมนต์สวดตามบ้านสวดตาวันงานแต่งงานไม่ไปรับสังฆทานไม่อะไรเขาจะเอาไปอยู่ป่าอยู่เขาไป ปีกวิเวกไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานอานาปนาสติพุทธานุสติพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาอาการ32พิจารณาความตายพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต่างจากต้นไม้ตรงที่มีดวงวิญญาณคือมีใจมาครอบครองนั่นเอง น้าใจนี่แหละที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายไปคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยไปทุก์กับร่างกายแล้วก็ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอมีร่างกายแล้วก็จะได้เที่ยวได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มได้แต่ไม่รู้ว่าการมีร่างกายนี้จะทำให้ต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพ อ, พอร่างกายนี้ตายไปความอยาก เียวยังอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังยังมีอยู่ก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่พอมามีร่างกายก็ต้องมาทุกขกับร่างกายอันใหม่นี่คือปัญหาที่เราต้องใช้กรรมาฐานใช้ทุดงควัตนี้มาแก้ปัญหานี้มาหยุดการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมามีร่างกายซ้าแล้วซ้าอีก พราะทุกครั้งที่มีร่างกายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาทุกครั้งมีใครอยากแก่มั้งมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยมั้งมีใครอยากตายบ้างไม่มีใครอยากถ้าต้องเจอกันทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเน่ยเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากจะเจอก็อย่ากลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติทุดงควรปฏิบัติกรรมฐาน วิธีจะปฏิบัติทุโดงกรรมาฐานได้ก็ต้องศึกษาถึงดอนหนังสือเนี่ยมาแจากจะได้รู้วิธีปฏิบัติทุดงควัตว่าเป็นยังไงปฏิบัติกรรมาฐานเป็นยังไงเพื่อจะได้ตัดกิเลสข่ากิเลสที่จะมาหาร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรามาทุกขกับร่างกายทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ถ้าอ่านแล้วจะเกิดศรัท ธ, ธาวันนี้ดีไม่ดีสักวันหนึ่งอาจจะไปบวชกันก็ได้อันนี้ก็เป็นที่มาของเทศวันนี้พอดีมีหนังสือมาจากพอดีก็เลยมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรยถาวาิวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิพเมวะสัมิจโตสัเพปเรนโตสังกะปาจันโทปนาระโสยัตถามณิโชติระโสยัตถะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศิลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทาติอายุวโนสุขังภลังจ มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องถ่ายทอดนี้ไหมไม่ยังไม่มีเรื่องว่าไว้ทีหลังเลยเมื่อกี้ได้คุยกันเรื่องตอนแรกโอเคอคิดว่าจะต้องทดสอบทดลองอะไรบ้าไม่ต้องอยังครับคิดว่าจะจะถ่ายทอดโดยใช้ youtube นะครับเป็นยูทส่งสัญญาณไปข้างล่อก็อยู่ที่ที่ที่ที่นั่นเขาก็รับ youtube ได้ผ่านทางเกิลรับยูทูบได้แล้วก็ถ่ายทอดทางเคเบิลต่อเลยใช่ครับออ เขจะไปถ่ายทอดที่โซผนเคเบิลออกไปพัทยาก็จะได้ดูสดได้ะถ่ายทอดสดเลยเหรอส ด, สดเลยครับอไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะไม่มีมมเราก็ไม่เรียกค่าบริการอะไรไะเป็นธรรมทานเไม่สมวงฤกษ์ศิษย์ฟรีใครอยากจะไปถ่ายทอดต่อถ่ายทอดได้ไหย ไม่ต้องมาขอไปได้เคอ่านนี้ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผมทานะครับอได้ก็เป็นหนังสือยินยอมให้ผมทำนันเป็นทางการได้เอามาเซ็อะไรก็ได้จะได้เห็นกันในนี้จะได้เป็นพยานนะเป็นช่องเบอร์อะไรที่บ้านรับเคเบิลสรควนหรอเล่องผมยังไม่ได้ลิ้งค์สโคนเพราะผมเป็นบางระมุงเคเบิลทีวีครับงระมุง แล้วใช้สายได้หรือว่าใช้ดาวเทียมเป็นสายครับแล้วก็เป็นเป็นเน็ตบางส่วนครับอเป็นดับซีพีเนนะครับแล้นี่จะไปเชื่อมกับบางลมุงที่ของโสพลอีกทีนะถ้าโสพลเขาเชื่อมลิงกได้ก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถที่จะลิงก์กันได้เลยครับเจ้าของโสพลลูกเขาก็เคยมาบวชที่วัดยาเ น, นี่ยที่เชื่อเป็นสสใช่ไ้ยดิสสสเนี่ยเป็นอะไรนะไม่ทราบก็ง่าย หลพนี้ก็มาเจ้าของก็เป็นอดีต ส, สอสอนี่ยชัญยุทธชาญยุทธชาญยุทธเ่งตระกูลตอนเคยลูกชายก็มาบวชที่วัดเหมือนกั น, น <c oughs> แต่เขาอาจจะไม่ว่างทางโปรแกรมเขาก็ได้โปรแกรมเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้อง <c oughs> ต้องมีโปรแกรมอย่างอางื่นแต่เคเบิลนี้ก็มีหลายช่องใช่ไหมครับ <c oughs> อืม อันนี้มีกี่ช่องของคุณครับผมตอนนี้ทำงในระบบอนาล็อกทั้งหมด80ครับ80ช่องถ้าเป็นวิกิตอนวัน20ขึ้นครับอ่านนี้เป็นช่องช่องเกี่ยวกับธรรมะเลยก็เราพยายามก็แล้วมันทําได้ถ้ามีไฟดิบเราก็จะทําให้หนึ่งช่องเลยครับอ่าเป็นช่องธรรมะคืนท่านคืนเขาอยู่ว่าอ่าถ้าเราดึงไฟเก่าเก่าออกมาได้อ่าเราก็จะลัให้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ครับก็จะในยูทูบก็มีเนี่ยในยูทูบในเฟซบุ๊กได้ครับจะแจ้งผลภายในสองวันครับอ่าได้เนี่ นี่ต้องการให้เราเซ็นใบอนุญาตยินยอมเนียไม่อะไรไม่มีเราเซ็นแล้วไม่ถูกจับติดคุกติดตราดเดี๋ยวมาทวงนี้เราไม่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมผมเซ็นอ่ะคุณเซ็นแทนเนี่ยให้คุณเซ็นแทนกันแล้วกันเรียบร้อยแล้วครับเก็คุณติดคุกยังติดเราไม่รู้เรื่องทางกฎหมายเพราะลึกลับซับซ้อน คือเป็นเหมือนก็เดี๋ยวนี้ก็สอชเขาเขามีความเข้มงวดในเรื่องว่าจะเผยแพร่อะไรแล้วได้รับอนุญาตหรือเปล่าเออได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะออกช่องไหนไหมายเลขที่เท่าไหร่แล้วผมจะแจ้งให้ทราบครับได้แล้ว เ, เ, เดี๋ยวผมจะไปดูไฟล์ก่อนว่าจะออกเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าไฟล์ที่มันด้านด้านเจ็ดสองศูนย ท, ที่มันเป็นไฟล์ HD ก็จะออกเป็น HD ให้เลยได้ถ้าออกเป็นสแตนดาร์ดก็ต้องดูหมายเลขช่องว่าจะออกเลช่องไหนได้ได้ครับเค คดีสาธุั<ช><ม>ทานายมีมีลูกค้ากี่รายที่ ท, ทำทําอยู่ตอนนี้ประมาณสองหมื่นลายสองหมืนลายก็ไมเเ่น้อยเคเบิลเนี่ยก็จะแบ่งกันสองคนบา ง, ม, งมุนทิพมณีเออ่ส า, างละมุนนี่เขาจะเริ่มต้นมาจากแถวนาึ้นจะเป็นหลักสองคนก็ในเมืองพะเยาเป็นหลักสมัยก่อนน ะ, ะแบ่งกันต่อเราจะมีกฎหมายแน่นอนแล้วตอนนี้ก็คือว่า ทำกันตรงไหนก็ได้ครับแต่พื้นฐานก็แบ่งกันจักก็ยังแบ่งกันอยู่แต่ความจริงนะทำซับซ้อนกันได้ทำซ้อนได้จงคือได้แต่ก็เคารพในอซึ่งกันและกันก็เลยแบ่งบริเวณคกันกนอตอนหลังทีวีดิจิตอลมาก็เลยทําให้เคเบิลก็ค่อนข้างบบอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องไปทาอินเทอร์เน็ตกันอะไรเงี้ย ก็ต้องมีการปรับปรุงไปตามสมัยแต่ตรงนี้ก็พี่บอยมาบอกก็ทางทางบางคนที่เ่ก็เห็นด้วยที่จะเปิดแค่ทำเพื่อควาปรักการกเเอาหน้าสร้างขึ้นมาคุยก็ดีรู้จักกับเจ้าของเลยแล้วการรนเจัาของก็เจ้าของเจ้าของมีน้องชาย ตารมึงยุ่งกับเพเปอร์ไม่ได้โอเคอ่ะสาธนะุนะโมทนามีคำถามอยากจะถามไหยวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด488ค่ะอะ Youtube 107ค่ะอยากจะถามอะไรไหม เดี๋ยวรอก่อนก็ได้ถ้ายังไม่รู้จะถามอะไรให้ทางบ้านมีต่างประเทศหรือเปล่านี่ไม่มีค่ ะ, อะเอาเข้ามาได้เลยคาถามจามกคุณแบบถ้าเราปฏิบัติกรมาามฐานแล้วแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ที่กำลังป่วยหนักเขาจะได้รับไหมคะมันรับแต่มันไม่ได้หายหรอกความเมตตาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บขไข้ได้ป่วยเข้าใจไม การเมตตานี่คือความให้ความรักต่อกันละกันก็ต้องแผ่เวลาที่เราทำอะไรให้เขาไม่ใช่มานั่งแผ่ตอนที่นั่งสมาธิมันไม่ได้แผ่อะไรถ้าอยากให้ความเมตตากับพ่อกับแม่ก็ไปเลี้ยงดูไปเฝ้าไข้พ่อแม่แมาหาอยู่ขายาหาหมอหาอะไรหรือถ้ามีกำลังก็พาไป รักษาตัวที่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาเข้าใจไห ม, มคือให้ความรักต่อพ่อแม่ความเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีไม่ใช่มานั่งสวดสพัพเทสาตาอเวลาหโนตุมันเป็นการสวดการสวดไม่ได้เป็นการแผ่อะไรเข้าใจไห ม, มการสวดเป็นการสอนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาเพราเราต้องไม่จองเวรจองกรรมกับใคร เวลาใครเขาด่าเราก็สาธุไปเวลาใครเขาขโมยข้าวของเราไปก็สาธุไปนี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาใครเขาด่าเราก็โกรธ ด, ด่าเขากลับเวลาใครเขาขโมยข้าวของก็ไปแจ้งตำรวจจับเขาเ ข, า ข, ข้าคุกเข้าตารางอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาก็คิดว่าเอ เขายากจนเขาเดือดร้อนเขาถึงต้องมาขโมยข้าของเราถ้าเราเป็นเขาเราก็คงจะต้องทำบ้างก็เห็นเห็นใจกันบ้างถ้าเขาเอาไปเราไม่เดือดร้อนก็ให้เขาไปเถิดอย่นี้เรียกว่าแผ่เมตตาเหมือนกับทาบุญไม่ต้องไปที่วัดให้เสียเวลามีคนมารับบุญถึงบ้านเลยขโมยมาขึ้นบ้านนี่ก็เหมือนกับเหมือนกับเราไปวัดแทนที่จะขนของไปให้วัดก็มีคนมารับจากที่บ้านไปเลย มันก็เป็นการทำบุญไปเป็นการแผ่เมตตาไปนี่คือการแผ่เมตตาไม่ใช่เวลานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็มานั่งสวดสัพเพสัตตานี่ไม่ได้แผ่อะไรนนั้จะแผ่เมตตาต้องแผ่ให้ตอนที่เรากระทำทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทำด้วยความเมตตาหรือทำด้วยความไม่เมตตาอย่างเมื่อวานนี้มีคนถามว่าเห็นแมวตัวหนึ่งแมวจรจัด แต่ไม่กล้าเอาไปเลี้ยงเพราะไม่อยากจะเป็นภาระเนี่ยพวกนี้พอถึงเวลาจะแผ่ไม่ยอมแผ่ mm hmm. ชอบแผ่ตอนที่นั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่มันง่ายดีไหมแผ่แบบไม่มีการรับผิดชอบอะไรอย่างนไม่เรียกว่าเป็นการแผ่แการแผ่ต้องเสียสละต้องแบ่งปันความสุขของเราให้กับคนอื่นเช่นเห็นแมวจรจัดสงสารมันก็เอามาเลี้ยงสินั่นแหะเรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ได้ไปแผ่เมตตาตอนที่สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตอนนั้นมันไม่ได้แผ่อะไรเป็นการเตือนใจสอนใจให้แผ่ก็ยังถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวเราจะลืมถ้าเราไม่สวดสัพเพสัตตาอเวลาหุนตุขอยสับทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวณนี้กรรมกันเถิดถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวเราลืมทนาสวดยังลืมเลยใช่ไหมพอใครมาทําอะไรเราหน่อยก็จองเวณจองกรรมกันละ อันนี้แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้จดไม่ได้จาอะไรที่เราสวดเลยคิดว่ากําลังแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายความจริงนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจไม่ให้ลืมว่าเราต้องแผ่เมตตานะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาพ่อแม่ไม่สบายยา ทิ้งพ่อแม่แล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่แผ่เมตตาถ้า แ, แผ่เมตตากําลังจะไปเที่ยวพอดีพอดีแม่ไม่สบายก็ยกเลิกเที่ยวสิอยู่บ้านหรือพาแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าแม่อยู่บ้านนะั้นหนูขอไปเที่ยวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยพาแม่ไปโรงพยาบาลเแม่าตายพอดีนะงนั้นขอให้เจ้าเข้าเข้าใจนะว่า เวลานั่งสมาธิแล้วเวลาสวดมนต์ไหว้พระแล้วแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้แผ่นะมันเพียงแต่สวดเพียงแต่สอนใจเตือนใจให้รู้ว่าต้องแผ่เมตตาเวลาที่มีโอกาสจะแผ่เช่นเห็นแมวจรจัดมาเอามาเลี้ยงมันแมวมันไม่สบายเอามารักษามันให้มันหายถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงมันก็เอาไปให้ที่เขามีคนรับเลี้ยงต่อไป นี่ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเวลาขอทานมาขอทานก็มีอะไรให้เขาบ้างก็ให้เขาไปนี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่มาแล้วก็ไล่มันไปด่ามันไปด้ว ย, ยนี้ไม่ได้แผ่เข้าใจไหมข้อต่อไปคำถามจากคุณวรินข้ามโอคะหมายความว่าอย่างไรครับ ก็ไปเปิดดูใน Google สิคำว่าโอคแปลว่าอะไรโอค้าเท่าที่เข้าใจก็คือวัดสะสงสารนี่แหละแต่เราไม่จำไม่ได้ว่ามันมีความหมายโดยตรงว่าอะไรเนี่ยก็ลองไปเปิดค้น Google art, ดูมันมีคำตอบเนี่ยตอนนี้ลองเข้าไปถามดูสิใครมี Google ลองกดดูสิโอค้าแปลว่าอะไรคำถามจากคุณพิมพ์ ออกความคารุณาพระอาจารย์เมตตาอธิบายการปฏิบัติกรรมฐานด้วยวิธีมรานาุสติด้วยเจ้าคะ่ะการพิจารณาวิธีนี้จะทำให้จิตสงบได้อย่างไรเจ้าคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตเรารับมันได้หรือเปล่าเหมือนยาเนี่ยยาบางชนิดถ้าเราแพ้มันแสลงพอคิดถึงความตายแล้วไม่สบายใจก็รับไม่ได้แต่บางคนนี่พอคิดถึงความตายแล้วจิตสงบ หายโลภหายโกรธเวลาโกรธขยัพอคิดว่าเดี๋ยวกูก็ตายแล้วมันก็หายโกรธเลยนี่ก็เรียกว่าใช้มาณานุสติทําให้ใจสงบได้เวลาโลภอยากได้อะไรแล้วก็คิดว่าเเดี๋ยวก็ตายแล้วนะมันก็จะทำให้ไม่เอาดีกว่าเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้มันก็เลยไม่โลภได้แต่บางคนใจไม่เข้มไม่แข็งพอพอคิดถึงความตายโอ๊อาการขดขู่กินไม่ได้นอนไม่หลับ อย่างนี้ก็คิดไม่ได้เพราะว่ามรนานุสตินี้เป็นยาแรงคนที่จะใช้มรณานุสติได้นี่ต้องมีจิตที่ที่ที่แข็งถ้าจิตอ่อนไหวนี่คิดไม่ได้หรอกถ้าพวกที่จิตอ่อนไหวนี่ต้องใช้พุทโธพุทโธไปก่อนเวลาไม่สบายใจเวลาโลคหรือเวลาโกรธก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปแทนอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราโรค พอเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปสักพักเดียวมันก็ลืมเรื่องที่เราโกรธไปก็หายโกรธได้แต่ถ้าเป็นพวกที่จิตแข็งเนี่ยชอบชอบยาแรงๆเนี่ยมานานุสตินี่ดีเวลาโลกแล้วเสียใจไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วได้มาเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ตายเหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วมันก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดไีไม่ทุกข์กับมัน เวลาโกรธอยากจะไปฆ่าใครก็คิดว่าไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีไปฆ่ามันทำไมเดี๋ยวเราต้องไปติดคุกติดตาิดตรางอีกนี่ก็คือการใช้มานานุสติเพื่อดับกิเลสทำใจให้สงบได้แตถ้าเป็นวงที่จิตแข็งถามต่อคำ ถ, ถามจากคุณวีไรยุทข้อที่หนึ่งคะ่ะการทวนกระแสจิตมีวิธีปฏิบัติอย่างไรช่วยผู้ปฏิบัติด้านใดบ้างคะ กากระแสจิตเรามันชอบออกข้างนอกเนี่ยมันชอบไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสไปหาลาบยศสรรเสริญกันเนี่ยทุกวันนี้ญาติโยมเราเนี้ออกไปข้างนอกเท่านั้นฮะติรนขึ้นมาก็ออกนอกบ้านล่ะออกไปหาอะไรหาลาบยศกันใช่ไหมไปหาเงินหาทองกันหารูปเสียงกดลิ่นรสกันไม่เคยเข้าข้างในเลยไม่เคยทวนกระแสจิตเลยมีแต่ไหลาตามกระแสกิเลสไป พุทธเจ้าสอนว่านั่นเป็นการไหลไปสู่ความทุกข์เพราะมันจะพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันสิ้นสุดพ<ม>ระเจ้าถึงสอนให้เราดึงกระแสจิตกลับเข้ามาให้ย้อนกระแสดึงกระแสให้เข้าข้างในโดยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยใจกรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็ได้พุทโธนี่ง่ายที่สุดความตายนี่ก็ได้เยพอนึกถึงความตายก็ไม่ไปดีกว่าอ ได้เงินมาเดี๋ยวก็ตายก็ไปไม่ได้อยู่ดีถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมันก็จะย้อนกระแสของของความโลภความอยากได้ใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่นี้จะใช้พุโทโธนี่มันง่ายที่สุดท่องเพียงแต่ให้ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ไม่ได้ละเพราะเราคุมความคิดไว้คุมความคิดไว้ด้วยคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ถ้าเรามีพุโทโธนี่มันจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วใจเราจะว่างจะเย็นจะสงบแล้วมีความสุขแล้วจะไม่หิวจะอิ่มโดยที่ไม่มีอะไรพระนี่ไม่มีอะไรแต่มีความสุขญาติโยมเชื่อไหมญาติโยมมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยพระไม่มีเงินเหมือนญาติโยมแต่พระมีความสุขมากกว่าเพราะใจอิ่มใจไม่หิวใจหยุดความคิดหยุดความอยากได้ อันนี้แหละเป็นตัววิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดความหิวไม่ได้เกิดจากการที่มีมากมีน้อยความหิวเกิดจากความอยากที่ไม่มีวันพอไม่มีวันอิ่มอยากเท่าไหร่ก็ไม่พอมีแต่จะอยากเพิ่มมากขึ้นนะได้คือก็อยากได้สอกนะได้สอกก็อยากได้วามันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีวันรู้สึกว่าอิ่มว่าพอสู้หยุดความอยากดีกว่าโดยการควบคุมความคิด พอเราหยุดความคิดได้ความอยากก็เกิดไม่ได้พอเราไม่มีความอยากใจก็อิ่มสบายอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรนี่คือการทวนกระแสจิตเนี่ยต้องใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธโธก็ได้ความตายก็ได้ข้อสองค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ตัวเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มปฏิบัติพิจารณาในขั้นปัญญา และเบื้องต้นมีวิธีในการเริ่มพิจารณาขั้นนี้ที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรคะความจริงการพิจารณาปัญญาเนี่ยพิจารณาได้ทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวล า, ม, วลา ม, มีเวลาเดียวที่เราไม่พิจารณาก็คือตอนที่เราเข้าไปในสมาธิคับเนี่ถ้าเราอยู่ในสมาธิใจสงบก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะเราต้องการพักจิตต้องการเติม เติมน้ำมันให้กับจิตเติมพลังให้กับจิตความสงบนี้จะเป็นพลังของจิตที่เราจะเอามาสู้กับความอยากความโลภได้พอเราออกจากสมาธิมาเราก็มาพิจารณาความตายนี่ก็เป็นเป็นปัญญาแล้วมันจะทำให้เราไม่โลภได้พอเราคิดถึงความตายเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปมีมากมีน้อยตายไปก็เอาอไปไม่ได้งั้นปัปหามันมาทำไมให้เหนี่ยรเปล่ า, า, าใช่ไหอ มาหาสิ่งที่เราไปได้ดีกว่าก็คือความสงบความสุขความสงบก็เกิดจากความไม่โลภนี่เองเห็นทุกครั้งที่โลภ ก, ก็ฝืนมันอย่าไปโลภพอไม่โลภแล้วต่อไปมันก็หายโลภมันจะไม่โลภอีกต่อไปพอมไม่โลภใจก็จะสงบใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลายานการพิจารณาปัญญาเนี่ยพิจารได้พิจารณาได้ตลอดเวลาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิานี้ยังไม่ควรพิ จ, จารณาเพราะว่าเราต้องการหยุดความคิดก่อนเวลาเราพิ จ, จารณาเราต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะหยุดความคิดการพิจารณาปัญญาของเราแทนที่จะเป็นปัญญามันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปมันจะทำให้ใจเราวุ่นวายแทนที่จะสงบฉะนั้นจึงไม่นิยมพิจารณาทางปัญญาก่อนที่มีจะมีสมาธิก่อน ขั้นต้นนี้ต้องฝึกสมาธิก่อนด้วยการหยุดความคิดก่อนแหมถ้ายังไม่มีสมาธินี้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาไปทางสมาธิก่อนไปทางสติก่อนหยุดความคิดก่อนใช้พุทธโธพุทธโธควบคุมความคิดจนกว่าเราจะนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นสมาธิได้อยู่เป็นสมาธิได้เป็นชั่วโมงอย่างนี้อยู่ในความสงบได้เป็นชั่วโมงแล้วพอออกมาแล้วทีนี้เราสามารถที่จะ ดึงความคิดนี้ไปคิดทางปัญญาได้แต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเดี๋ยวเกิดมันฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วหยุดไม่ได้เพราะหยุดไม่เป็นต้องหัดหยุดก่อนหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนอเพะงั้นเบื้องต้นถ้าเริ่มปฏิบัตินี้ต้องฝึกสติก่อนฝึกหยุดความคิดให้ได้ก่อนฝึกนั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบได้นา น, าน นั่งทีละชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยให้สงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ได้ไปก่อนถ้าเรานั่งอย่างนี้ได้ควบคุมความคิดสั่งให้หยุดคิดได้เข้าสมาธิได้แล้วเวลานั้นนะ่ะหลังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมาเราก็มาคิดทางปัญญาได้ลนะคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงแม้แต่เราเองก็ไม่เที่ยงร่างกายเราก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวตายไปก็ ศูนไปหมดกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเงินทองหามาได้กี่ล้านกี่พันล้านก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดมีบ้านมีคอนโดกี่หลังมีที่กี่พันไร่ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเอาไปทาเอาไปไม่ได้เลยแมย้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เอาไปได้ไม่เอากันคือความสงบคือความสุขความที่ไม่ต้องกลับมาเกิดความไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงนี่เอาไปได้ไม่เอาไปกัน เอาแต่ความโลภความอยากไปกันก็เลยต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของปัญญาต้องมีปัญญาเท่านั้นถึงจะหยุดความโลภความอยากได้จะทําให้เราไม่กลับมาเกิดได้แต่ถ้ามีสตินี้ยังไม่มียังไม่พอเพราะเวลาไม่มีสติปั๊บนี้ความโลภความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีอ่ะก็ต่อไปคําถามจากคุณชานน์ ถ้าพุทธโทไม่ได้ไม่ได้แปลว่าพุทธโทไม่เหมาะกับเราใช่ไหมครับแค่การนึกพุทโทนั้นยากกว่าและใช้พลังมากกว่าการดูลมหายใจหรือเปล่าครับบางทีนึกพุทโทไม่ออกเลยครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรจะนึกพุทโทรหรือดูลมหายใจดีเพราะไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าเราควรนึกพุโทโธตอนที่จิตเราฟุ้งซ่านมากๆแต่พอฟุ้งซ่านน้อยก็ดูลมหายใจถ้านึกพุโทโธได้จะดีที่สุด เราจึงควรฝึกไวตั้งแต่ตอนนี้หรือเปล่าครับก็ลองฝึกดูเลยถ้าเรานึกพุทโทไม่ได้ลองนึกถึงเงินดูลนึกได้ปะนึกถึงแฟนนึกได้ปะถ้านึกได้ก็แสดงว่ากิเลสมันไม่ยามให้เรานึกถึงพุทโธนึกได้แต่เรื่องอื่นแต่พอเรื่องพุทโทนี้นึกไม่ออกเลยคิดถึงเงินคิดถึงแฟนนี่หมามาเลยก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความขี้เกียจนะ ก็ต้องบังคับให้มันพุโทโธพุธโทโธต่อไปหรือถ้าไม่อยากจะพุโทโธถ้าดูลมแทนได้ก็ดูลมไปก็ได้คําถามจากคุณรักษานจิตตกตามที่หลวงตามหาบัวท่านเทศหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านไม่มีสติควบคุมจิตไงจิตเคยสงบกลับเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมาเกือบไม่กลับไม่สงบแล้วพออยากจะให้มันสงบมันก็ไม่สงบ พอไม่ได้ใช้สติทําให้มันสงบใช้ความอยากให้มันสงบมันก็เลยไม่สงบมันเลยมันเลยยิ่งไม่สงบอยาก ย, ยิ่งอยากยิ่งไม่สงบใหญ่ตอนหลังท่านถึงมาย้อนดูว่าท่านสงบเพราะอะไรท่านก็นึกถึงพุโทโธขึ้นมาท่านก็เลยกลับไปหาพุโทโธใหม่พอไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธจิตก็กลับมาสงบเหมือนเดิมคําถามท่านพุทธมาพร้อ โยมเห็นอารมณ์ที่มันพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนตอนนั้นก็คิดว่าเราจะปล่อยตามอารมณ์โกรธหรือจะหยุดแต่มันดันเลือกที่จะพุ่งตามความโกรธแสดงว่าสติโยมยังไม่มีกำลังมากพอที่จะไม่ทำตามความโกรธใช่ไหมคะอ่าก็มันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วมาถามันไมก็เหมือนรถอะรถเราเหยียบเบรกแล้วแต่มันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกเราไม่ดีแล้วล่ะต้องรีบเข้าอู่แล้วให้เขาไปเช็คเบรกดู นี่ก็เหมือนการมีพุโทโธแล้วแต่มันยังไม่ไม่หยุดโกรธก็แสดงว่าพุโทโธนี่ยังมีกําลังไม่มากพอก็ต้องพุโทโธเข้าไปให้ถี่ให้นานจนกว่ามันจะหยุดถ้ามันยังไม่หยุดโกรธก็อย่าไปหยุดพุดโทโธเราไปหยุดพุดโทโธมันก็เลยโกรธต่อเข้าใจไหยถ้าเราพุโทโธไม่หยุดมันโกรธไม่ได้คําถามจากคุณรนะัฐาพร พอเราฟังพระอาจารย์เทศจบและรับพรจากพระอาจารย์จากทางโซเชียลเหมือนกับการนั่งรับพรต่อหน้าพระอาจารย์ที่วัดหรือเปล่าคะมันไม่ได้เป็นพรหรอกมันเป็นการให้กําลังใจเท่านั้นเองพรมันเกิดจากการปฏิบัติคือความสุขความเจริญนี่มันไม่ได้เกิดจากที่เราพูดว่าขออนุญาตโยมสุขให้เจริญนะอย่างก็อญาตโยมก็ไม่ต้องทาอะไรมานั่งรอรับพรอย่างเดียวความสุขความเจริญมันเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรา ถ้าเราไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อให้เราพูดให้สุขเจริญกี่แสนครั้งมันก็ไม่สุขไม่เจริญหรอกฉะนั้นการฟังนี้มันก็เหมือนการฟังสดๆตรงนี้กับฟังที่บ้านมันก็เหมือนกันมันก็เป็นเสียงกันเดียวกันภาษานเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดการฟังนี้เพื่อฟังเพื่อเอาไปให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติดา้ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับเราต่อไป คำถามจากคุณเบนจาวัน <c oughs> ข้อที่หนึ่งโยมภาวนามราระยะหนึ่งแล้วแล้วป่วยเมื่อผ่าตัดอยู่กับกรรมฐานที่ใจยอมรับกายที่เป็นของที่ต้องตายหากโยมมีเวทนากายมากเวลาตายโยมจะอยู่กับใจได้ไม่เจ้าไม่ได้เจ้าใช่ไหมเจ้าคะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกตอนนี้มันก็อยู่ไม่ได้ถ้าฝึกตอนนี้อยู่ได้เวลาตายมันก็อยู่ได้ <c oughs> ที่สองการภาวนากับที่บ้านร ล, ลึกที่ใจมีสติทำสมาธิโดยไม่มีปฏิทายกากับใจลดละเลิกการภาวนาถึงที่หมายต่างกันหรือไม่คะไม่ต่างหรอกสถานที่มันต่างตรงที่ว่ามันเร็วหรือช้า ง, ง่ายหรือยากเหมือนขับรถเนะี่ยขับรถบนทางด่วนกับขับรถบนใต้ทางด่วนนี่อันไหนมันจะเร็วกว่ากันพอขึ้นทางด่วนนั่มันก็พุ่ดไปเลยใช่ไหม ถ้าอยู่ใต้ทางเดวนก็ต้องเจอรถเรียวซ้ายเรี้ยวขวาเจอสี่แยกไฟแดงมันก็ช้าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะคอยมารบกวนใจเดี๋ยวคนนั้นก็มาชวนไปทานู่นคนนั้นก็มามาบ่นมาเล่าปัญหาให้ฟังเราไม่ไปฟังเขาเดี๋ยวเ้าก็ว่าเราอีกเราจะพูดโทอย่างต่อเ น, นื่องก็าพูดโทไม่ได้ แต่ถ้าเราไปอยู่วัดคนเดียวหรือที่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเรามันก็พุโทโธได้ไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ไปได้เร็วกว่าง่ายกว่าคําถามจากคุณภาคินผมเข้าใจว่าเกิดเป็นมหาเ ศ, ษศรษฐีสิบชาติก็สู้ได้สมาธิชาติเดียวไม่ได้ถูกหรือไม่ครับอ่าใช่ได้สมาธินี่ได้ทรัพย์ล้าค่ายิ่งกว่าเงินทางร้อยล้านพันล้าน คำถามจากคุณชลินทิพย์จะใช้ธรรมข้อไหนกับคนชอบโกรธและชอบหงุดหงิดคะคือเราโกรธแล้วเรากับคนที่เขาโกรธเราเข้ามาถึงตัวเขาเองเขาชอบโกรธชอบหงุดหงิดเลก็ฝึกสติไปฝึกสติฝึกพุทโธไปเวลาเราโกรธเราหงุดหงิดเราก็พุทโธพุทโธไปแล้วความหงุดหงิดความโกรธก็จะหายไปแล้วเราอยู่กับคนที่ชอบโกรธชอบหงุดหงิดเราก็พุทโธพุทโธของเราไป ปล่อยเขาโกรธไปปล่อยเขาหงุดหงิดไปอย่าไปยุ่งกับเขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามใจเราอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปโกรธกับเขาก็แล้วกันก็ฝึกสติไปพุทโธไปสวดมนต์ไปหรือถ้ายังไม่มีกําลังก็มีโอกาสก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําไปออจะได้ไม่อยู่ใกล้กันถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันโกรธมันหงุดหงิดอดไม่ได้แต่ถ้า ถ้ามีพุโทโธเราก็อยู่กับเขาได้ปล่อยเขาโกรธไปปล่อยเขาหงุดหงิดไปแล้วก็พุโทโธพุธโทโธของเราไปหรือถ้าเราโกรธหรือเราหงุดหงิดแล้วก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปเราก็จะหายโกรธหายหงุดหงิดเหมือนกันคําถามจากคุณเบญจวรรณขณะเดินจงกรมบริกรรมพุโทโธจิตก็ยังไปคิดเรื่องอื่นได้ตลอดเวลาถ้าจะใช้วิธีนับตัวเลขเดินหน้าจนถึงที่กําหนดและนับถอยหลังจนครบ เพื่อกำกับสติจะได้ไหมคะก็ะลองทำดูสิถ้าทำแล้วมันได้ผลก็ใช้ได้วิธีไหนก็ได้คำถามจากคุณพิมพยายามละลดไม่ให้ติดสุขเลยออกไปนั่งกรรมฐานที่สวนในบ้านปรากฏว่าถูกลบกวนด้วยยุงมดมแมลงจนทำให้จิตไม่สงบไม่ได้ควรอยู่กับสิ่งลบกวนอย่างไรให้จิตสงบได้เจ้าคะอ่ามันก็ต้องใช้พุโทโธนี่แหละ บางคนถ้ามีพุทโธเขาก็ปล่อยให้ยุยงกัดได้อะไรกัดได้ถ้าเราจิตไม่ไม่มีสติมันก็ไม่อยู่ที่ไหนมันก็ถูกรบกวนเสมอฉั้นพยายามผัดฝึกสติให้มากขึ้นไปแต่ละสติเรามีกาลังน้อยมากอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นไปอยู่คนเดียวก็ไปมีปัญหากับยุงอยู่กับคนก็มีปัญหากับคนอีกอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเพราะใจเราไม่มีสติเราต้องัฝึก สติบ่อยๆตอนต้นก็มีอยู่คนเดียวแบบที่ไม่มียุงสิถ้ามียุงเราก็กางมุ้งก็ได้เนี่ยออกไปนั่งข้างนอกเราก็เอามุ้งไปกลางไปนั่งอยู่คนเดียวพูดทัวพูดทัวไปถ้าอยู่กับคนมันทําให้เราใจวุ่นวายเราก็ไปหาที่สงบคนเดียวแล้วถ้ามีมดมีอะไรเราก็หาวิธีการกันมันได้คําถามจากนายหนุ่มตามหลักมงคลสามสิบแปดประการข้อที่ว่ามีบุญวาสนามาก่อน เป็นอย่างไรและจะทําอย่างไรหากเราไม่แน่ใจว่าเรามีบุญวัสนามาก่อนหรือไม่และควรทําอย่างไรที่จะสร้างส ม, สงสมบุญวัสนธให้ได้มากที่สุดในชาตินี้ครับบุญวัสนาก็คือการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการใช้ปัญญาเนี่ยถ้าชาติก่อนเราเคยมีมาก่อนมันก็จะติดมากับเราด้านนี้มาเกิดก็ชอบทําบุญเลยไม่ต้องบังคับด้านนี้ ชาติก่อนเคยรักษาศีลมาพอมาเกิดก็รักษาศีลต่อเลยชาติก่อนเคยนั่งสมาธิได้พอมาเกิดชาตินี้ก็นั่งสมาธิได้เลยชาติก่อนเคยใช้ปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาอยู่เรื่อยๆพอชาตินี้มาเกิดก็พิจารณาต่อได้เลยนแสดงว่าเป็นบุญเก่าทําต่อได้เลยข้อบุญบุญเก่านี้มันติดไปกับใจมันไม่สูญไปกับร่างกายะ ของเก่าที่สูญกับร่างกายก็คือราบยศสรรเสริญเคยเป็นนายุเคยเป็นอะไรมาชาติก่อนพอมาเกิดชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นนะต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แต่คนที่มีบุญนี้ไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์บุญที่ทําไว้ก็จะมาต่อยอดได้เลยนี่คือเนี่ยบุญที่เราทําชาตินี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพอเราตายไปเรากลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาต่อยอดได้เลย เช่นชาตินี้เรารักษาสีลหน้าได้ชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะรักษาสีลหน้าโดยอัตโนมัติคนอื่นจะไม่รักษาเราอยู่กับครอบครัวที่เขาไม่รักษาแต่เราก็จะรักษาของเราไปถ้าเรานั่งสมาธิได้เรากลับมาชาติหน้าเราก็นั่งสมาธิได้เลยนี่คือบุญเป็นมงคลอย่างยิ่งบุญที่เราได้ทำมาในอดีตเหมือนทรัพย์ที่เราได้สะสมไว้ในอดีตเราเอามาใช้ต่อได้เลยใช้ประโยชน์ได้เลย คำถามจากคุณอนุสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับสมถะคือการการทำใจให้สงบให้นิ่งให้มีความสุขก่อนพอใจมีความสุขความสุขแล้วทีนี้ก็สอนใจให้ฉลาดเพระาะใจยังโง่อยู่ใจยังหลงยังมีความโลภความอยากอยู่ก็สอนใจให้รู้ว่าการการทำตามความโลภความอยากจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดก็การเป็นความทุกข์เวลาได้มาก็สุขเวลาหมดไปก็ทุกข์นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ทุกขังแปลว่า เป็นความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปทำตามความอยากไม่ว่าจะอยากกับอะไรก็ตามมันจะสุขตอนต้นได้เงินมาก็สุเพอเงินหมดก็ทุกได้ตำแหน่งมาก็สุเพอหมดตำแหน่งไปก็ทุกไม่เที่ยวกวบคลุมบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจึงทำให้เราทุกข์กันคำถามจากคุณไปวัดทำบุญ อยากทราบว่ายิ่งเราปฏิบัติกิเลสต่างๆยิ่งกำเริบลักษณะนี้หมายความว่าเราปฏิบัติได้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับก็ปฏิบัติไม่ดีแล้วถ้าปฏิบัติดีกิเลสมันต้องลดลงเหมือนทํางานแล้วหนี้ละน้อยลงไปไม่ใช่ยิ่งทํานียิ่งมากขึ้น <c oughs> งั้นอย่าไปทําดีกว่าถ้าทำแล้วกลับมีหนี้มากขึ้นไปทําไปทําไมคํมถาถามจากคุณดอกฟิน อยากเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบรรลุธรรมกับนิพพานเหมือนกันไหมคะการนิพพานนี่เป็นขั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดไงการบรรลุธรรมนี่มีหลายขั้นเหมือนกับเรียนหนังสือมีหลายระดับมีปัญญาตรีโทเอกการบรรลุธรรมก็มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิราคามีขั้นอนนาคามีขั้นอรหันต์พอถึงขั้นอรหันต์ก็จะถึงขั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ขั้นอื่นยังต้องกลับมาเกิดอยู่ขั้นที่หนึ่งยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติขั้นที่สองก็กลับมาเกิดอีกไม่เกินหนึ่งชาติขั้นที่สามก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมแทนขั้นที่สี่ก็ไม่ต้องเกิดเป็นพรหมไม่ต้องเกิดเป็นอะไรต่อไปเป็นนิพพานถึงขั้นนิพพานขั้นสูงสุดคําถามจากคุณพรวิทยากลับเรียนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่า ดูแลพ่อแม่แล้วทําไม่ถูกใจโดนต่อว่าอย่างแรงแล้วตอบท่านกลับว่าสาธุยิ่งทําให้ท่านโมโหมากขึ้นบางครั้งนิ่งเฉยแล้วเดินหนีไปก็โมโหควรทําเช่นไรคะก็ปล่อยท่านโมโหก็ไปกันละกันแล้วอย่าไปโมโหท่านก็นละกันแล้วก็ควรปรับการบริการให้มันดีขึ้นทําให้ถูกใจเขาสิอย่าไปทําให้ถูกใจเราอท่านอยากได้อะไรถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เสียหายก็ทําให้ท่านไป ถึงแม้เราจะไม่ชอบแต่ท่านชอบก็ทำให้ท่านไปท่านอยากจะดูดูหนังแต่เราไม่ชอบดูหนังก็เปิดให้ท่านดูไปไม่ใช่ทำตามใจเราแล้วท่านก็ไม่ท่านไม่ถูกใจมันก็ไม่ได้เราต้องถือว่าเราเป็นผู้ให้การบริการเราเป็นเหมือนคนรับใช้พ่อแม่เป็นเหมือนเป็นเป็นลูกค้าลูกค้าเข้ามานี่เราต้องต้อนรับต้องบริการให้ดีเพราะว่าเราเป็นหนี้ลูกค้านี่มาก เขาจ่ายเงินเลี้ยงเรามานี่ไม่รู้กี่ล้านแล้วลตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้หนี้แล้วดังนั้นพยายามบริการให้ดีแบบบริการชั้นหนึ่งของสายการบินเลยต้องการอะไรมีทุกอย่างเอาตามใจลูกค้าตามใจพ่อตามใจแม่เถอดให้พ่อแม่มีความสุขแต่ถ้าท่านยังไม่พอใจก็ต้องทําใจนะก็เฉยๆไปเฉยท่านก็ไม่พอใจ แต่อย่าไปสาธุสาธุเหมือนเป็ น, ปนการประชดเราจะสาธุสาธุในใจอย่าไปสาธุออกเสียงกิริยาของเราต้องนอกนอบเสมออย่าไปแสดงกิริยาแข็งกระด้างเฉยเฉยไว้ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็เฉยเฉยไปคาถามจากคุณกานนิกาเมื่อวานยมรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ทั้งวันเลยเจ้าค่ะ จิตใจมันเศร้าโศกกับทุกสิ่งรอบตัวทั้งๆ ท, ที่โยมไม่เคยเป็นมาก่อนจิตมันหดหู่กับทุกสิ่งในชีวิตเป็นเพราะอะไรเจ้าคะโยมควรทําอย่างไรเจ้าคะก็ใช้สติเนี่ยใช้พุโทโธให้หยุดมันเวลามีความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาหดหู่ใจก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปจิตเราบางทีมันก็ขึ้นขนลงลเงี้ยมีจิตขึ้นสูงจิตลงต่ําได้บางทีมี อาจจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่ไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความรู้สึกโกรธหูต่างๆขึ้นมาก็หรือจะใช้ปัญญาก็คิดพิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมืดคึมนวะเดี๋ยวมันก็สว่างจิตของเราก็เป็นอย่างนี้บางทีก็มืดคึมบางทีก็โกร ห, หูเดี๋ยวบางทีก็สดใสเบิกบาน แถ้าเราอยู่กับความหงุดหงิดไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธช่วยเอแต่อย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากมันยิ่งหดหูใหญ่เพราะมันไม่หายตามความอยากมันหายไปตามเหตุปัจจัยของมันเดี๋ยวถึงเวลามันก็หายเองเพราะมันเป็นอนิจจงตอนนี้มันไม่หายก็ทําใจให้อยู่กับมันไปออย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะไม่หดหูมากขึ้นหมดได้เองนี่ค่ะาว่ามาคาถามจากคุณแม่ม เดี๋ยวนี้เวลาใส่บาตรตอนเช้าจะสังเกตว่าพอวางของบนบาตรพราะยังไม่สวดให้พรเด็กวัดจะหยิบของออกจากฝาบาตรเด็กวัดทําแบบนี้ถือว่าผิดไหมเจ้าคะแล้วเราจะได้บุญไหมคะก็ไม่รู้ว่าเขาหยิบไปทํำไมบางทีก็หยิบไว้เพื่อเกยมให้พระหรือเปล่าเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเลยของที่เราให้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่ได้เป็นของเราแล้วเราได้บุญแล้วเต็มที่แล้ว ถ้าเราไปสนใจไปกังวลเนี่ยบุญมันก็จะถูกหัก อ, อกด้วยความกังวลใจของเร า, าเพรนั้นเวลาเราให้อะไรใครไปแล้วอย่าไปสนใจว่ามันจะไปไหนใครอยากไปใช้ไปกินอย่างไรถ้าเราไปแสดงว่าเรายังหวงอยู่ยังไม่ให้ถ้าเราให้แล้วเราต้องไม่สนใจแล้วเราจะได้สบายใจอย่างเต็มที่ถ้าเราให้แล้วเราไปคอยตามดูว่าของนี้ไปไหนต่อมันก็เลยเหนื่อยใจขึ้นมา งั้ถ้าไม่ถ้าอยากจะให้บุญได้เต็มน้อยไม่ถูกหากออกก็ให้แล้วก็ลืมไปเลยไม่ต้องไปติดตามถึงแม้จะเห็นก็ถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของคนที่เขารับไปแล้วเขารับไปแล้วเขาจะให้ลูกติดทำเลยต่อไปให้เขาก็เรื่องของเขาแล้วคำถามจากคุณอัคารินอยากถามว่า <c oughs> วิธีชนะความโกรธต้องทําอย่างไรตามที่ผมเข้าใจคือต้องมีสติรู้ตัวขณะโกรธแต่บางทีก็รู้ว่าเราโกรธอยู่ แต่ห้ามไม่ได้หรือต้องใช้ปัญญาช่วยด้วยถึงจึงจะชนะความโกรธได้กลาบขอคําแนะนําครับก็ได้เลยถ้าเราไม่มีสติมันก็ยากถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้สติกับดึงสติกับมาก่อนใช้พุโทโธพุโทโธก่อนพอรู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็อย่าไปตอบโต้ให้ใช้พุโทโธแทนดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความสงบก่อนถ้าใจสงบแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเออ ความโกรธของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอก็ไม่ทำเราก็โกรธต่อไปเราก็อยากไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราก็กแล้วกันแล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธเขาคำถามจากคุณพิมพรขณะที่เราสักผ้าอยู่แต่ใจหนูชอบสวดมนต์แต่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้การสวดมนต์ก็เป็นเหมือนการใช้พุทธโธนี่แหละ ถามจากคุณธนรงค์คิดได้แค่จินตามายะใจจินตามายะปัญญาแต่ภาวนามายะปัญญาจะเกิดเองหรือเปล่าครับตามในพระสูตรอจายิ ก, กสูตรอภิธรรมอสังขาริกจะไม่มีการชักนําหรือเปล่าครับต้องมีสมาธิถึงจะเป็นภาวนามายปัญญาจินตานี้มีไว้เพื่อสอนใจเตือนใจไม่ให้ลืม ไม่ให้ลืมความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ลืมวันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่จะหยุดกิเลสได้นี้จะต้องมีสมาธิถึงจะมีกำลังที่จะเอาปัญญามาใช้หยุดกิเลสต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ามีแต่จินตานี่ยังแสดงว่ายังไม่มีสมาธิต้องไปฝึกสมาธิทาใจให้สงบใจรวมแล้วจินตามายปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามายปัญญาไป คำถามจากคุณสุภาเมื่อคืนโยมรักษาสินแปลกนั่งสมาธิชั่วโมงครึ่งรู้สึกว่าตัวหมุนรอบก็เลยปล่อยให้หมุนไปไม่ว่าจะนานไหมจะนานเท่าไหร่ประมาณสิบนาทีก็หยุดจลิต ก, กำลังจะรวมก็รู้สึกว่าน้ำลายจะไหลก็เลยกืนพอกืนแล้วรู้สึกปวดหัวมากเลยเลยเลิกนั่งเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเราไม่มีสติกากับใจไม่มีคุโธไม่มีลม อย่าปล่อยให้จิตมันหมุนอย่าปล่อยให้จิตทําอะไรเราต้องคอยคุมไว้ด้วยพุทโธพุทโธไปอย่าไปดูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นให้กลับมาดูที่พุทโธพุทโธแล้วดูลมหายใจเช่นอย่างเดียวแล้วทุกอย่างก็จะหายไปเองคำถามจากนายหนุ่มเวลาบริกรรมพุทโธแล้วทำบริกรรมจะไปบริกรรมพร้อมกับลมหายใจถูกต้องหรือไม่ครับทาอย่างไรถึงจะไม่ไปพันกับลมหายใจ ก็อย่าไปสนใจลมหายใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็มันจะพันกันก็ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปคิดอะไรก็ใช้ได้คําถามจากคุณพิมพ์สุภัชสอนลูกอายุห้าขวบเป็นไข้ชักแล้วหนูกลัวลูกเสียชีวิตจะใช้ธรรมะข้อไหนระ ง, งับความกลัวนั้นได้เจ้าคะก็ใช้พุโทโธก่อนก็นแล้วกันถ้ากลัวกพ็พุโทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงลูกคิดถึงความตายแต่ถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าลูกหรือว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายจะตายเวลาไหนก็ไม่มีใครกำหนดรู้ได้ถ้าใช้ปัญญาได้มันก็หายกลัวได้ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติคือพุทโธไปก่อนทองพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความตายของลูกคาถามจาก คำถามจากคุณประเสริฐมีกําลังน้อยมาทําบุญวันละหนึ่งร้อยบาทกับทาบุญทีละมากๆอันไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับก็เท่ากันอ่ะถ้าปริมาณเงินเท่ากันแต่ถ้าทํามากๆทีเดียวก่อนมันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะตายไปก่อนสมมติเราทํำพันบาทวันนี้ดีกว่าทำร้อยบาทสิบวันเพราะพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้ก็จะทําได้แค่ร้อยเดียว ยังถ้ามีมากก็ทํามันมากไปทําให้มันหมดไปวันนี้เลยจะได้มันออกมาคอยทําอยู่บ่อยๆมีเท่าไหร่ที่ทําได้ก็ทํำมันไปให้หมดเลยเผื่อเราตายพรุ่งนี้เราจะได้มีบุญไปเยอะๆแต่ถ้าเรามาคอยแบ่งเอาวันละสิบาทยี่สิบาทเดี๋ยวเกิดตายพรุ่งนี้ไปบุญก็ทําได้แค่สิบาทยี่สิบาทเท่านั้นเองคำถานจากคุนิตยาคนที่ไม่ทิศการไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย จะทำอย่างไรเขาจึงจะได้สร้างบุญในชาตินี้ได้คะก็ทำไม่ได้ถ้าสร้างมันก็ทำบุญอย่างอื่นไงถ้าทำบุญทำทานไม่ได้เขาก็รักษาศีลด้คนพิการเนี่ยรักษาศีล ด, ดีกว่าคนที่ไม่พิการเอาจะไปขโมยก็ขโมยไม่ได้ไปฆ่าก็ฆ่าไม่ได้ไปมาพูดผิดประเวณีก็ไปไม่ได้เนี่ก็รักษาศีนไปสิดีกว่าดีกว่าไปทาบุญทาทานทาบุญทาทานต้องมีร่างกายต้อง ถ้ามีเงินจริงๆก็สั่งให้คนอื่นไปทำให้ก็ได้บอกเอาเงินนี้ไปใส่บาตรให้หน่อยเอาเงินนี้ไปถวายวัดเอาไป ถ, ถวายโรงเรียนเอาไปให้โรงพยาบาลก็ทาได้ใช้คาสั่งให้คนอื่นทาแทนเราถ้ามีเงินถ้าไม่มีเงินทาก็รักษาศีลไปภาวนาไปไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้พิการก็พุโทโธได้ พิจารณาปัญญาก็ได้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เนี่ยนี่คือบุญทั้งนั้นน่ะยังนั้นคนพิการนี้ไม่ได้ถูกตัดสินในเรื่องการทำบุญทำได้มีเงินก็ทำได้มีเงินก็สั่งให้คนอื่นเข้าไปทำให้แทนศีลก็รักษาได้สมาธิก็ฝึกได้ปัญญาก็พิจารณาได้ดังนั้นทำได้มันก็คนที่มีร่างกายที่ดี คำถามจากคุณกิตนาเลี้ยงวัวให้คนกิน <c oughs> กับคนกินเนื้อวัวใครบาปกว่า ก, กันครับคนกินเนื้อวัวถ้าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าไม่บาปแต่คนที่เลี้ยงวัวเพื่อเพื่อเอาไปฆ่าเพื่อขายให้คนอื่นกินกินเนี่ยคนนั้นบาปอยู่ที่คนฆ่าคนเลี้ยงถ้าเลี้ยงเฉยๆไม่ฆ่าก็ไม่บาปเองเนี่ไม่ได้บอกว่าฆ่านี่นะคนเลี้ยงวัวกับคนกินเนื้อวัว ก, ก็ไม่ได้บาปทั้งคู่ถ้าเลี้ยงวัวแล้วแต่ไม่ได้ไปฆ่าวัวก็ไม่บาป คนที่กินเนื้อวัวแต่ไม่ได้ค่าเนื้อวัวไม่ได้ค่าวัวก็ไม่บาปเหมือนกันบาปอยู่ที่คนฆ่าคําถามจากคุณวิรัตนั่งสมาธิพุทโธกับการนั่งพูดกับตัวเองเซลท็อปต่างกันอย่างไรครับเพราะเราคุยมันก็จะไม่สงบไงเราคุยแล้วดีไม่ดีก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือเกิดอารมณ์หดหู่เกิดอารมณ์ไม่สบายขึ้นมา เกิยความโลภความอยากขึ้นมางั้นอยากคุยกับตัวเองพุโทโธพุโทโธไปดีกว่าแล้วใจจะสงบจะเย็นจะมีความสุขมีความสบายบ่นหรือยังมีอีกค่ะอะ้ว่าไาีก5นาทีคำถามจากคุณอัชชาาเดี๋ยว<ง>รอเดียวหนะ่อีก5นาทีนั่งนั่งรอเดียว5นาทีอวว่ามาการทำบุญ ไม่สะดวกไปที่วัดทําบุญกับคุณแม่ได้ใช่ไหมคะได้ทําบุญกับขโมยก็ได้อย่างเมื่อนี้บอกขโมยขึ้นบ้านก็สาธุเออปูดได้ทําบุญแล้ววันนี้ <c oughs> มันขโมยทีวีไปกา้มันเอาไปอย่าไปแจ้งความอย่าไปจำมันเข้าคุกเข้าตารางคําถามจากคุณไก่ค่ะลูกตั้งใจจะถวายพระประทามแต่คุณแม่ทักว่า คนที่อายุน้อยไม่ควรไม่ควรถวายพระประทานจะทำให้อายุสั้นอยากทราบว่าจริงหรือไม่คะอ๋อไม่จริงหรอการทำบุญนี่ไม่ทำให้ใครอายุสั้นด้วยอายุยาวอายุสั้นอายุยาวมันขึ้นอยู่กับเรื่องของทางร่างกายเรื่องของวิบากกรรมคนที่ทำบาปม า, มากอายุอาจจะสั้นได้หรือคนที่ประมาททำอะไรแบบไม่ระมัดระวังก็ตายเร็วได้ขับรถกินเหล้ามาแล้วไปขับรถนี่ก็ตายได้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องทำบุญหรอกทำบุญนี่จะทำให้ใจมีบุญตายไปจะได้ไปเกิดในสวรรค์อยู่ก็มีความสุขใจขอ ถ, ถามจากคุณอภิพันขออุบายในการเจริญปัญญาครับก็ให้มันคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไป เอาแล้วนะพอแล้วอย่างมีอีกข้อัหมมีอีกสองข้ออ่าอีกสองข้อคำถามจากคุณทำการที่เรามองตัวเองหรือคนอื่นโดยตาเนื้อแล้วในใจเหมือนมีเสียงบอกเราว่าทุกคนร่างกายเดินสู่ความเสื่อมพังหมดเลยแล้วจิตเราบอกให้เรามองจี้ลงไปใต้เนื้อเราหรือของเขาต่ออีกแล้วในใจเราเริ่มมองเหมือนเห็นไขมันกระดูกลำไส้อวัยวะภายในต่างๆ เหมือนเขาเหมือนถุงมูลเดินได้แต่มีหนังหุ้มไว้กำหน้าเกียิแม้แต่มองตัวเองก็มีกระเพาะหรือลำไส้ปรากฏภาพนี้มันเกิดในจิตตอนลืมตาลูกควรจะต้องอยู่อย่างนั้นหรือพิจารณาใจรักอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะก็พิจารณาตอนที่เราเห็นใครเราเกิดความลหลงไหลข้างใครอยากให้เขามาเป็นแฟนเราการเห็นเขา น่ารักน่าสวยน่า ง, งามก็ต้องเนี่ยต้องคิดถึงอสุภะของเขาตอนที่เราเห็นตอนนี้ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ตอนที่เราเกิดความรุ่มหลงรักใคร่เขาอยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็ต้องมองถึงอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเขาแล้วเราก็จะได้ไม่รุ่มหลงไม่รักไม่ไข้ข้อนึ่งข้อสุดท้าย คำถามจากคุณสาลิมีลูกชายชอบซื้อของเลี้ยงพ่อแม่ประจําและขอบอกว่าทําบุญกับพ่อแม่เหมือนได้ทําบุญกับพระลูกคิดถูกต้องดีแล้วใช่ไหมคะเป็นทานบารมีของเขาได้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องอให้ใครก็ได้เป็นทานทั้งนั้นเพียงแต่ว่าถ้าให้กับคนที่ดีเราก็อาจจะได้สิ่งที่ดีกลับเขาจากเขามาเป็นของแถมไปทําบุญกับพระ อรหันเดี๋ยวท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติทาให้หลุดพ้นได้ก็ดีทำบุญทำทานทำกับใครก็ได้ทำแล้วใจจะมีความสุขทำแล้วนะคิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ